อ, อ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร ม, มานาถบพิตรนอกจากการส่งเสริมด้านอาชีพแล้วน้าคือปัจจัยสาคัญที่สร้างความเจริญงอกงามให้สรรพชีวิต ในปี2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมรมมนาบอบพิษพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบ ร, รมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่บ้านห้วยตองบ้านหนองเต่าและบ้านขุนวางในพื้นที่ตาบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้ทอดพระเนตรลำห้วยตองและมีพระราชะกระแสรรับสั่งให้สำนักงานรพชเป็นผู้จัดสร้างแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเรื่องน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการโดยสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชะดำริสันเขื่อนกว้าง6เมตรยาว130เมตรสูง 18.5 เมตรสามารถเก็บกักน้าได้กว่า 400,000 ลูกบาทเมตร ซึ่งมากเพียงพอกับพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ไร่ในการเพาะปลูกพืชผักไม้ผลและการทำนาต่อมาในปี2558สําสำนัก ง, งานทรัพยากร น, น้ำภาคหนึ่งกรมทรัพยากร น, น้ำได้จัดหางบประมาณเพื่อทำการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำเพื่อขยายประโยชน์ในการใช้น้ำให้กับราษฎรในพื้นที่น้า